ทาอะไรไม่รู้เ ท, <ำ>ที้ยมเบื่อเสียงกวนเรานั่งภาวนาอยู่ในภาวะแบบนี้เราต้องต่อสู้ต้องมีวิธีการต่อสู้การต่อสู้กับเสียงเร่งแรงดังแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ความรู้สึกมันหดหายไปปกติความรู้สึกถ้าเราดึงได้นี่จับได้ตลอดมันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว เป็นเราต้องการสงบเนี่ยเราทำจิตของเราทาสติทาสัมปชัญญะของเรากําหนดสติสัมปชัญญะของเราให้อยู่กับความรู้สึกที่เรากําหนดบริกรรมนี่แหละเช่นอย่างเราเรากหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโท น, นี่ให้เราจับความรู้สึกเราตลอดพอมันหายใจเข้าไป เราก็หมดว่าพุทธมันจะมีความรู้สึกมา ก, กับคำว่าพุทธทีนี้เราเราไม่ปล่อยเอาความรู้สึกพุทธกับโทเนมาต่อกันเลยหายใจเข้าไปพุทธเราก็คอยดูคอยดูหายใจออกมาแล้วก็โทเลยเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยไว้แค่พุทธดำรงความรู้สึกไว้เพื่อที่จะต่อโทออกมา แล้วพอมันถึงโทรมาก็ไม่ปล่อยความรู้สึกอยู่แค่นั้นจับความรู้สึกเพื่อที่จะจับพุทเข้าไปอีกอหายใจเข้าไปพุทรู้สึกก็ว่ารู้สึกความรู้สึกตีดต่อเนื่องกันเลยไม่ปล่อยและการนั่งกัพยายามนั่งให้ตรงยมงเงยหน้าขึ้นมันจะได้หายใจได้สะดวกนั่งตั้งกายให้ตรง ถ้าเราทำโค้งๆนี่มาหายใจมันไม่สะดวกมันหายใจไม่สะดวกหายใจครึ่งๆหายใจตีบๆมันไม่สะดวกถ้าเรานั่งตรงๆหายใจสะดวกสะดวกนี่มันหายใจชึ้บเดี๋ยวมันก็อิ่มเต็มท้องแล้วอ่ามันทําให้ไม่เป็นภาระในการหายใจชึ้บเข้าไปหายใจเข้าไปฟุดเต็มแล้ว แล้วมันก็ปล่อยมามันก็ง่ายโทออกมาพราพยายามจับความรู้สึกหายใจเข้าไปพุททาความรู้สึกไม่ปล่อยพอมันหายใจออกมาอีกเรโทพุทโทพุทโทไม่ปล่อยความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้เนี่ยจะเด่นจะชัดต่อเมือ่อสติเรากําหนดเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามาจับความรู้สึก ความรู้สึกอันนี้กับสติกับสัมผัจัญญาะนี่ให้เป็นอันเดียวกันไม่เชื่อลองตั้งใจกำหนดดูจิตใจมันจะอยู่เค้งนิ่งค้าวเดียวนั่นแหละไม่ปล่อยไม่ปล่อยความรู้สึกค่อยๆ ว, ว่าเราใช้ความระมัดระวังต่อเนื่องกันไปจิตใจสงบระงับได้เร็วจะสงบระงับได้เร็วมากนี่คือทําจะให้ได้รับความสงบไม่ปล่อยความรู้สึก เราจะว่าเราอยู่ในท่าทีที่เราระมัดระวังก็ได้กําหนดจับอยู่กับพุทธโธเนี่ยกำนหนดหายใจพุทเข้าไปเสร็จแล้วลมหายใจมันจะผ่อนออกมาหายใจออกมาแล้วก็ค่อยว่าโทพอเสร็แล้วไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยความรู้สึกนะกนําหนดตามพุทเข้าไปอีกไม่ปล่อยความรู้สึกแล้วก็โทออกมาอีก แล้วเข้าไปพุทธไม่ปล่อยความรู้สึกโทออกมาแล้วไม่ปล่อยความรู้สึกที่โทษคอยดูพุทธเข้าไปอีกไม่ปล่อยความรู้สึกเข้าไปก็ไม่ปล่อยความรู้สึกประกอบไปด้วยดําริวะพุทธออกมาก็ไม่ปล่อยความรู้สึกอัมเดียวออกมาว่าโทไม่ปล่อยแค่โทนะจับตอนเนี้ไปอีกคอยดูมันจะพุทธเข้าไปอีก ไม่ปล่อยความรู้สึกแค่พุทเนี่ยคอยดูมันจะปล่อยมาอีกโทอีกเราทําได้ต่อเนื่องอย่างนี้มันเป็นการกระตุกสติกับสัมผััญญะเนี่ยให้มากํากับจิตให้มาจับอยู่กับความรู้สึกอันเนี้ตลอดเนี่ยเราไม่ปล่อยช่วงให้กิเลสมันแทรกเข้ามาในเมื่อเราไม่ปล่อยช่วงให้กิเลสมันแทรกเข้ามาจิตของเราี่จะส ง, งบได้เถือบมางทิ้งนิ่งคราวเดียวนั่นแหละ ถึงก็ว่าไม่หายใจมันสงบระ ง, งับอยู่ต้งสบายๆนั่งตรงๆ ต, ตั้งหน้าให้ตรงอย่า ก, ก้มมันจะหายไปชึกเดียวละอิ่มละ ม, ม, มันเต็มเต็มเร็วเต็มท้องเร็วมันไม่เป็นภาระที่จะตามให้เราไปกังวลกับมันอย่าไปก้มอย่าไปก้มอย่าไปโกง ม, มันหายใจติด มันไม่สะดวกมันมันไม่ได้รับความสุขเร็วเราตั้งตัวตรงๆหายใจชึบเต็มหายใจออกมาหายใจเข้าไปหายใจออกมาหายใจเข้าไปก็สะดวกหายใจออกมาก็สะดวกหายใจเข้าไปก็สะดวกหายใจออกมาก็สะดวกมันทำให้เราไม่เป็นพาร์ทมันก็เป็นการกล่อม มือนเป็นการกล่อมจิตของเราไปในตัวจิตคือผู้รู้แต่ผู้รู้ตัวนี้จะเด่นชัดมาต่อเมื่อเราดึงสติเราดึงสัมผัสฉันยะมากำกับให้ชัดเจนลงไปคําว่าชัดเจนในที่นี้หมายความว่ามันอยู่ในปัจจุบันประกอบกับความรู้สึกในปัจจุบันความรู้สึกที่กายพุทธเข้าไปพุทธเข้าไปโทออกมาพุทเข้าไปโทออกมา เหมือนกับว่าเราส่องไฟสองไฟดูตลอดเข้าไปเราก็ส่องไฟตามเข้าไปออกมาเราก็ส่องไฟออกมาเนี่ยมันเลยสว่างตลอดทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกสักหน่อยหนึงกิจก็ได้รับความสงบได้รับความสุขมันอิ่มมันอิ่มที่หน้าอกเนี่ยอิ่มมันปีติดมันอิ่มได้เร็วเหมือนกับลมของเรานี่มันอิ่ ม, มเต็มตื้นมาตื้นมาเหมือนกับมันไม่หายใจ สงบเพีหนึ่งเหมือนกับว่ามันไม่หายใจนี่คือเราตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบเราจะทําให้ใจได้รับความสงบก็ตามเราจะพิจารณาก็ตามให้เราอยู่ในท่าเนี้มันเป็นท่าที่คล่องหายใจเข้าคล่องหายใจออกคล่องเนี่ยถ้าเราพิจรารณาก็คือเรากําหนดจิตมีสติกําหนดเราจะใช้คําว่ากําหนดนั่นแหละ กำหนดพิจารณาหรือไม่ว่ากำหนดรู้คือไม่ปล่อยสติกับจัมพ์ัญญาเนี่ยไม่ปล่อยให้กำกับความรู้สึกเลยเราจะว่ากำหนดรู้ก็ใช่เรก็ว่ากำหนดพิจารณาก็าาใช่ตัวกำหนดนันคืออะไรตัวกำหนดจุดจ่อ ก, ก, ก็คือตัวระมัดระวังตัวสังวรตัวระมัดระวังกำหนดความรู้สึกไม่ปล่อยความรู้สึกเกาะความรู้สึกตลอดเนื่อง ไม่ว่าเข้าไปไม่ว่าออกมาไม่ว่าเข้าไปไม่ว่าออกมาเนี่ยคือความรู้สึกกับมันตลอดถ้าเราอยู่ในท่าทีอันนี้เราก็สว่างร่อยู่กับการหายใจเข้าการหายใจออกทีนี้เผื่อต้องเผืเราจะเปลี่ยนมันได้รับความสงบกระดุกดิกขึ้นมาเราก็ต้องการจะพิจารณาเราก็มากำหนดการกำหนดในเชิงนี้ก็คือเราตั้งสัญญาของเรากำหนดไปที่กายเนี่ย กำหนดไปดูธาตุดินไปดูธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟในกายของเรากําหนดไล่ไกลับไปกําหนดไล่กลับมาเนี่ยหมดธาตุดินกําหนดธาตุดินเราไม่รู้จักกําหนดอะไรแล้วก็มากําหนดดูไอตัวแข็งๆนี่แหละเป็นผมเป็นขนเป็นเ็ตเป็นฟันเป็นหนังอันนี้เป็นธาตุดินทั้งหมดนะเนาะเป็นธาตุดินได้ยังไงเมื่อมันเป็นผม มันเป็นขนมันเป็นธาตุดินได้ยังไงนเมื่อมันเป็นเล็บมันเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแล้วก็กำลังดูเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธาตุดินเรายังไม่สนิทใจว่ามันเป็นธาตุดินเราก็แยกไปซะก่อนตามอาการที่ท่านบอกนะไล่ไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง เป็นเนื้อเอ็นกระดูกไปจนถึงนู่นอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ยี่สิบอาการทั้งยี่สิบนี่เป็นอาการของธาตุดินทำไมท่านถึงว่าเป็นธาตุดินเพราะว่ามันมันแข่งแข็งมันแข็งแข็งมันเป็นก้อนมันเป็นแข็งมันแข็งยังไงเราก็ดูผมแข็งมันผมแข็งลักษณะแข็งขนเล็บฟันแข็งไหม อาการทั้งสี่เนี่ยแข็งหนังแข็งไหมหนังไม่แข็งหนังไม่แข็งแต่ถ้าหนังแห้งๆเนี่ยเราเอามากขยี้เนี่ยมันกลายเป็นของแข็งกลายเป็นธาตุดินหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกแข็งไหมกระดูกแข็ง<ม>นี่คือธาตุดินธาดินมีสิ่งที่มีลักษณะขแข่งแข็งเป็นก้อนเป็นแท่ง น, นี่คือลักษณะของธาตุดิน แล้วก็ดูไปเอาธาตุดินภายในไปเท andez, <catch> ียบกับธาตุดินภายนอกธาตุดินภายนอกก็พวกตูดพวกหินพวกทรายพวกอะไรเนี่ยะมันเหมือนกันยังไงมันอยู่นอกตัวของเราเนี่ยมันเหมือนกันได้ยังไงมันเหมือนกันโดยที่มันแข็งแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งเหมือนกันนี่แหละวัตถุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยอยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นของแข็งที่เรามองเห็นเป็นธาตุดินทั้งหมด เป็นธาตุดินทั้งหมดดูให้เป็นธาตุดินดูยังไงดูลักษณะที่มันแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งมันแข็งในตัวของเราเช่นเดียวกันมันเป็นก้อนมันเป็นแท่งมันเป็นก้อนมันเป็นแท่งบางอันมันไม่แข็งมันเป็นแข็งเช่นอย่างร่างกายของเราเรามองเอาสายตามองเห็นทั้งดุนอันนี้คือธาตุดินเพราะมันมันเป็นก้อนมันเป็นแท่ง มีลักษณะของธาตุพยายามดูพิจารณาพิจารณาดูอาการมันเป็นการทำงานภายในจิตของเราอันนี้ถ้าเผื่อเราจะต้องการจะเอาจิตมาพิจารณาเราพิจารณา น, นี้เราพิจารณาไปมันจะเป็นสมนถะก็พิจารณาไปมันจะเป็นวิปัสสนาก็พิจารณาไปแต่เวลามันจะได้ผลจริงๆมันก็จะต้องด้รับความสงบจะต้องด้รับความรู้ความเห็นความชัดเจนลงไป เราพิจารณาพยทําไปทำไปทําไปทำไ ป, ำไ ป, ำไปจนมันเพิ่มเพิ่มไปปรากฏชัดเจนขึ้นมาภายในใจแต่ต้องไม่หลับต้องไม่เป็นหลับมีสติมีสมาธิจำกับอยู่กับเรื่องกับตัวสิ่งเหล่านั้นก็ลอยชัดเจนขึ้นมาเป็นตินที่แรกเราก็ไล่เข้าไปซะ ก, ก่อนถ้าเผื่อมันไม่มีอาการใดปรากฏชัดมาอย่างนี้เราก็ไล่จะพกท่าดิน ไล่ก็ไปไลขกาไ ป, า เ, าไปเราต้องการมาเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำดูอาการในกายของเราเนี่ยดินเราพิจารณาเราพิจารณายัางไงพิจารณาเป็นดินก็เป็นดิ น, ปนไปเลยอย่าอย่าให้มีคาว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นอาการของธาตุดินมันเป็นสภาวะของธาตุยินมันเป็นสภาพของธาตุดิดธาตุคือสิ่งที่เป็นโมนเดิม มูลเดิมของธาตุดินมันมา่างไหนมันมาจากพ่อมาจากแม่พ่อแม่เอามาจากไหนพ่อแม่ก็เอามาจากพ่อเอามาจากแม่นั่นแหละเป็นมูลฐานของธาตุธาตุดินแต่มันเป็นมูลฐานธาตุดินที่มามาเข้าระบบระเบียบของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนเลยมันเลยมาเข้าระเบียบอันนี้ลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้าซึมซาบเปิบอาบตั้งแต่น้ า, านดีน้ำเสเลดน้าเหลืองน้าเลือด จนถึงน้ํามุดสิบสองเป็นถาดน้ําถาดน้ําทําไมท่านงเรียกว่าถาดน้ําเพราะว่าร่างกายของเรานี้มันอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งมันจับกันได้ด้วยอาการของน้ํามันมีถาดน้ําอยู่ในนี้นําตั้งแต่น้ําดีน้ําสล่น้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเลือดจะกระจายไปหมดทั้งตัวเนี่ยน้าใัยหลอดเลือดหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดเล็ก ขยาย้าไปทั่วสรพางร่างกายเพื่อส่งอะไรเพื่อส่งน้ําเข้าไปร่างกายนี้ก็อาศัยซึมซาบซับสามารถออกได้ทุกรูขุมขนเนี่ยสามารถน้ําก็ซึมซาบออกมาได้ทุกขุมขนอเส้นเลือด ก, ก็เช่นเดียวกันเส้นเลือดกระจายเข้าไปทั่วสรพางร่างกายตรงไหนที่เส้นเลือดกระจายเข้าไปสู่ไปหล่อเลี้ยงไม่ได้นั่นแหละมันจะมีอาการ พี่ควรี่การและ่ยอัมพาตแล้วเสนเลือดจะเอาอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ได้คือน้ําเลือดกระจายเข้าไปทั่วเซรล์ผังร่างกายนี่เป็นถ่านน้าไปจนถึงน้ําน้ํามูดน้ํำมูดก็คือน้ําปัสสาวะน้ําปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีช่องเข้าแต่มันสามารถซึมเข้าไปได้ทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายเนี่ยน้ําที่เกินจําเป็น หรือน้ําที่ใช้มาแล้วมันก็สามารถซึมไปแล้วก็ไปอยู่ในกระบอกสะวะเนี่ยมันอัดสะวะคือน้ําน้ำโมดูดน้ํามูดก็คือน้ําส่วนเสียในร่างกายของเราเราันไปอยู่ในน้ำโมดูดจากนั้นแล้วมันพอเกินปริมาณมันก็ขับออกมาเราก็ไปปัสสาวะออกไปปัสสาวะออกนี่เป็นน้ําที่เกินเข้ามาถ้าเราฉันน้ํามากๆ น้ำมันก็จะย่อยเร็วแล้วไปอยู่ที่กระเพาะในระหว่างที่มันปไปอยู่ที่กระเพาะได้มันก็ชะมันก็ล้างมันก็ดูดมันก็ซึมไปในร่างกายในส่วนที่ใช้ประโยชน์มันก็ใช้ไปในส่วนที่ถ่ายเทออกไปมันก็ถ่ายเทออกไปอมันผ่านการเอาไปใช้ประโยชน์มาแล้วว่างั้นเถอะนี่คือน้ำคือธาตุน้ำธาตุน้ำดูทําไมถึงว่าธาตุน้ําเพราะว่ามันเอิดอาบซึมซาบไปทั่วสัรพรรดิร่างกาย นันต้องแต่ น, น้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งที่เป็นเลีเล้ยวๆสิ่งที่เออบาบซมึมซาบในร่างกายเนี่เป็นธาตุน้ำเราดูไปดูไปที่ก้อนกายของเราเนี่ยก้อนกายของเรามันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดูน้ำก็ให้ดูสัตว์ประวัติน้ำไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเข้าไปอยู่ในนั้นน้ำกับน้ำจริงๆไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นถ้ามีเราเข้าไปอยู่ในนั้น ก็คือกิเลสในใจของเรามันยึดอะละยึดส่วนที่เป็นธาตุดินส่วนที่เป็นรูปคือธาตุดินก็คือกิเลสมันยึดจิดก็ไปว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็เหมือนกันถ้ากิเลสมันยึดมันก็ยึดว่าเป็นเป็นน้ําลายเราเป็นน้าเลือดเป็นน้ํามูดเป็นน้ําปัสสาวะของเราเราดูให้เห็นสภาพของมันสภาพธาตุดินก็มีแต่เป็นสภาพเป็นสภาวะของอาตดิน เป็นธาตุน้ำเป็นให้เห็นเป็นสภาวะของธาตุน้ำเพราะดินมันก็มาจากธาตุดินน้ำมันก็มาจากธาตุน้ำมันมีที่ไปที่มาของมันเริ่มแรกเราก็ได้มาจากพ่อจากแม่ต่อมาเราก็หาใส่เข้าไปเองเราบริโภคอาหารเข้าไปข้าวน้าโภชนาอาหารเราบริโภคเข้าไปเป็นธาตุดินเราก็ใส่เข้าไปธาตุดินนี้ก็ไปบดไปย่อยส่วนไหนที่เกิดประโยชน์กับร่างกาย มันก็ไปขับไปย่อยไปไปเลี้ยงส่วนนั้นไปเลี้ยงส่วนนั้นส่วนที่เป็นน้ำก็เลี้ยงส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นดินก็ไปเลี้ยงส่วนที่เป็นดิมอาัดดินธานน้ำดูร่างกายของเราให้เห็นเป็นสภาวะธรรมคาว่าสภาวะธรรมก็คือมันเข้าไปแล้วมันทำงานตามระบบระเบียบของมันอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมอยู่ภายใต้อานาจของกรรมร่างกายของเราได้มาด้วยอานาจของธรรม คำว่าธรรมก็คือสภาวะที่มันมีเองเป็นเองตามภาวะของความเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มันต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยกรรมมาเกาะเกี่ยวอาศัยกรรมมากลุ่มมาควบคุมถ้าหากไม่ใช่ธรรมะเข้ามาควบคุมแล้วเราลงไปปั้นเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นคนมันก็คือดินนะ่ะดินข้างนอกนมันไม่มีมันไม่มีวิญญาณ โดยอาศัยว่ากรรมมากับวิญญาณคือจิตตรงนี้ก็เลยทำให้ธาตุดินเป็นไปธาตุน้ำเป็นไปจากนั้นแล้วก็มีธาตุลมด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นระบบระเบียบอีกอันหนึ่งของมันหายใจเข้าไปก็ เ, เอาออกซิเจนเข้าไปคืออากาศที่ดีๆเอาไปสู่ร่างกายเพราะร่างกายนี่ยังจะต้องอาศัยอากาศหายใจออกมาก็ เ, าเอาอากาศเสียออกมา หายใจเข้าไปเอาอากาศดีเข้าไปหายใจออกมาเอาอากาศเสียออกมามันเป็นตามระบบระเบียบของมันเราจะตั้งใจหายใจหรือไม่ตั้งใจหายใจมันก็หายใจเข้าออกเข้าออกตามหน้าที่ของมันบางทีเราไม่เคยระลึกเลยว่าวันวันหนึ่งเราไม่เคยระลึกเลยว่าเราหายใจเข้าเมื่อไหร่หายใจออกตอนไหนเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปถ้าหากเราไม่ได้มาตั้งใจภาวนา แต่ร่างกายมันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้นเ้าเรียก ว, ว่าสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมีขึ้นเปินขึ้นด้วยอํานาจของธรรมตามภาวะความมีของมันความเป็นของมันเราจะบังคับไม่ให้มันหายใจออกก็ไม่ได้ลองกลั้นลมหายใจสัหน่อยมันกลั้นไม่ได้เพราะมันขาดลมมันก็ทําให้เราได้รับทุกขเวทนา ปิดจมูกปิดปากปิดอะไรจริงๆไม่ให้ไม่ให้หายใจเลยมันก็ขดัดขาดลมมันก็ตายได้มันตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเรากลั้นเฉยๆเนี่ยพอถึงคราวเตรียมที่ของมันมันก็จะดันออกมามันก็จะปล่อยออกมาของมันอีกตามภาวะของธรรมชาติโอกาสที่คนจะกลั้นลมหายใจตายหนียากอยากมากพรามันถึงทีดถึงที่มันก็ต้องดันออกมาได้ นอกจากเรามัดที่คอเนี่ยมันออกไม่ได้ออกปากก็ไม่ได้ออกจมูกไม่ได้เหมือนอย่างเขาผูกคอตายคึบเดี่ยวมันออกมาไม่ได้เลือดวิ่งขึ้นสมองก็วิ่งไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้คืบเดี่ยวไปเลยเนี่ ย, ยอันนี้คือการที่เราไปบีไปบังคับมันแต่โดยภาวะธรรมชาติของมันเลยมันจะเข้าจะออกตามภาวะความมีของมันความเป็นของมัน บังคับบัญชามันไม่ได้บังคับไม่ให้ออกก็ไม so ่ได้บังคับไม่ให้เข้าก็ไม่ได้เราอาจมีเจียตนาไม่ให้มันเข้าก็ได้กลั่นลมหายใจอย่างเงี้ยแต่ก็ได้แล้วย่าหนึ่งเราก็ต้องปล่อยเพราะมันเป็นการไปฝืนภาวะของมันด้วยเหตุนี้นี่นี่ก็เป uh ็นอนัตตาหนึ่งของมันเราบงไปบังคับบัญชามันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาหนึ่งของมันะรวมไปถึงระบบระเบียบระบบน้ํา ระบบน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำไหลที่มันขับอยู่ภายในมันเป็นไปตามระบบระเบียบของมันเราไปห้ามมันก็ไม่ได้ร่างกายที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่มันก็เป็นไปตามภาวะของมันเราให้อาหารไปมากๆมันก็มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมันสมบูรณ์้วยอาหารที่มันสามารถส่งไปหล่อเลี้ยงตามอัตภาพร่างกายตั้งเบื้องบนท่ามกลางและก็เบื้องล่างร่างกายก็ส่งไปเลี้ยงทั่วสรรพาดร่างกาย เราไม่ได้เจตนาที่จะให้มันมันดูดขึ้นมันดูดลงให้มันไปซ่อมแซมตรงนั้นให้ไปซ่อมแซมตรงนี้เพียงแต่เราใส่เข้าไปในปาาเอาอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์กินได้ใส่เข้าไปในปากแล้วก็บดเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปมันก็ซึมซับดูดกระจายไปเอาไปทาประโยชน์ให้ร่างกายทั้งหมดเป็นระบบเป็นระเบียบของมันนี่นี่ก็เป็นลักษณะของอนัตตาเราไปบังคับบัญชามไม่ได้ ธาตุดินก็ตามธาตุน้ําก็ตามธาตุลมก็ตามบังคับบัญชามันไม่ได้สักก็ว่าเป็นธาตุแท้เป็นธาตุจริงๆถึงแม้ว่าเราจะมีจิตใจมาครองก็ตามจิตใจของเราก็มาครองโดยความเป็นธรรมคล่ะค่ะว่าร่างกายนี้เป็นผลผลของใจในเมื่อมีใจมาจับมาจองแล้วจิตใจก็ต้องอาศัยอันนี้เป็นถ้าเป็นครูหาเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัย มันเป็นสมบัติของกันและกันเราจะให้มันแตกแยกจากกันเขาแยกกันยากมากโอกาสที่เขาจะแยกกันยากมากพอเมื่อร่างกายใช้สอยประโยชน์ไม่ได้เท่านั้นแหละเขาเป็นเหตุจำเป็นจำใจที่เขาจะต้องโดหนีออกไปคือใจออกจากร่างนี้ไปใจนี้ออกจากร่างนี้ไปโอกาสที่เขาจะไปโดยลำพังโดยที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเขาจะไปได้ยากมาก แม้แต่เรานอนฝันเนี่ยมันก็เป็นอาการของใจนะที่ไปนะไม่ใช่ใจไปนะเราอยู่นี่เรานึกถึงที่ไหนนึกถึงกรุงเทพนึกถึงโคราชนึกถึงบ้านเรานึกถึงตรงไหนก็ตามแต่มันเป็นอาการของจิตที่เราส่งไปเท่านั้นเองแต่จิตที่แท้จริงธาตุรู้ที่แท้จริงผู้รู้ที่แท้จริงอยู่ที่กายนี้โอกาสที่เขาจะไปนี่ยากมาก ถึงคราที่เขาจะแยกออกจากกันแล้วกลับคืนมาไม่ได้ก็คือถึงภาวะที่กายนี้ใช้งานใช้กายไม่ได้แล้เป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องไปหลบออกไปโดดออกไปแต่โดดออกไปแล้วก็ต้องไปจับจองอีกต้องไปหาที่เกิดอีกอ น, นี่คือภาวะของจิตใจที่มาเกี่ยวข้องกับกายนี้ธาตุหินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟก็คือมันอุ่นอยู่ในกายนี่แหละ ถ้าไม่มีธาตุไฟมาอุ่นมันก็จะบูดจะเน่านะถ้าเราคาดเราคิดเหมือนอย่างอาหารต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีธาตุไฟมาอุ่นเนี่ยอยู่นานล่วงการผ่านเวลาไปอาหารนี่ก็บูดแล้วเนี่แม้แต่ธาตุในร่างกายของเราถ้าไม่มีธาตุไฟมาปลนปลือนเนี่ยร่างกายของเราก็ไม่เป็นไปมันก็บูดล้วธาตุไฟกับธาตุดินกับธาตุน้ําเนี่ยพลอยอยู่ได้ เพราะเผื่อท่าลมยังอยู่แต่ท่าลมหยุดเมื่อไหร่หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่หยุดหายใจเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจก็จะพลอยตัดขาดจากกระแสเลือดที่ดูดเข้าดูดออกเนี่ยคือมันหมดสภาพข้างมันนั่นแหละหมดสภาพข้างมันมันก็จะดับไปด้วยกันเมื่อท่าลมดับแม้แต่ระบบระเบียบของร่างกายมันก็อาจจะทําหน้าที่อยู่ หนึ่งนาทีสองนาทีอย่าเราไปจับชีพจรของผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยชีพจรยังเต้นอยู่อีกห้านาทีคนที่หมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยชีพจรยังเต้นอีกอย่างน้อยห้านาทีชีพจรที่ข้อมือยัอยงเต้นอยู่เนื่องจากระบบระเบียบของร่างกายมันยังไม่ดับเสียทีเดียวแต่มันก็จะค่อยๆอ่อนแรงก่อนแรงก่อนแรงกอแรงล้วก็ดับสองนาทีสามนาทีชีพจรดับ หมายความว่าทุกอย่างในร่างกายของเรารวมทั้งระบบระเบียบการขับฉีดอะไรในร่างกายนี่ก็ดับจากนั้นธาตุไฟความอบอุ่นในกายนี่ก็จะเริ่มมอดไปมอดไปก็เหมือนอย่างไฟเริ่มมอดเนี่ยไม่ใช่ว่าความร้อนของไฟมันจะหมดไปทีเดียวมันจะค่อยๆเริ่มเย็นเพราะมันเย็นเพราะมันอัตภาพร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาดูธรรมชาติของธาตุลม พิจารณาดูธรรมชาติของธาตุไฟดินน้ำลมไฟธาตุทั้งหมดเหล่านี้มาประชุมกันได้มาเกาะกลุ่มกันได้เป็นรูปเป็นร่างกลางตัวของเราของท่านมาประชุมกันได้เกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมนี่เราใช้ความนึกความคิดมาพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละเพื่อทําลายความเป็นก้อนความเป็นแท่งในตัวตนของเราถ้าเราไม่พิจารณามาอย่างนี้เราไม่มาวิาพากเราไม่มาวิจารณ์แบบนี้เนี่ย โอกาสที่จะทำให้เราแยกแยะไปียากความยึดความถือความนึกความยึดความติดความเกี่ยวข้องความผูกพันความสําคัญมันหมายว่าเป็นตัวของเราเป็นตัวตวนของเราขาเราแขนเรามือเราหัวเราลําตัวของเราเนี่ยมันก็มีการมองเห็นอยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้าเราพิาพจารณาไปจนชินพิจารณาไปถึงเหตุไปถึงปัจจัย ที่จะได้มาเพื่อให้เกิดความเป็นกายย้อนไปในท้องแม่แล้วก็ย้อนไปกับอาหารการกินที่เราบริโภคเข้ามาแล้วก็ย้อนไปที่ใจส่วนของร่างกายทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดลึกๆมาจากอํานาจของใจเป็นผลิตผลจากอํานาจของใจที่มีกิเลสหมายถึงกิเลสในในชาติก่อน คือเหล่านในชาติก่อนๆที่มากับจิตทําให้จิตมีพลังแล้วก็แสวงหาที่เกิดที่อัตภาพร่างกายดีเราก็ได้พบเข้ามาเราก็ได้ชาติเข้ามาพิจารณาอย่างนี้แหละเวลาเราได้ความสงบพอสมควรเราก็ใช้จิตมาพิจารณาโดยความเป็นธรรมเพื่อเข้าสู่สภาวะของสัจธรรมแค่เรารู้เหตุเรารู้ปัจจัยของกายแค่นี้ก็เป็นเรียนให้เรารู้หลักของสภาวะของสัจธรรม ในเมื่อเรารู้ความเป็นไปความเป็นมาของกายแล้วเราก็พิจารณาความเป็นมาความเป็นไปของจิตถ้าเราจะกำหนดจดจ่อให้รู้ในปัจจุบันทันดวนเราก็ต้องพิจารณากำหนดจด จ, จ่อเพื่อจิตยะย้ไปดูจิตในขณะที่เราก็หมดในปัจจุบันอย่างนี้ก็ได้เหมือนอย่างที่ว่าเรากำหนดพิจารณากายก็คือเรากำหนดพิจารณาทุกทุกอันนี้เป็นผลเป็นผลผลของใจ ผลผลของใจก็คือผลผลของกิเลสกิเลสไอตัวที่คอยยึดถือว่าเป็นเป็นกายเราเป็นกายของของเราเนี่ยคือตัวกิเลสตัวนี้แหละมันเพล่เพลิดมันจะค่อยๆแทรกเข้ามาว่าตัว ต, วตวนของเราเราต้องมาพิจารณากายแล้วก็ไม่ลืมกําหนดจดจอไปที่จิตเราจะเห็นว่าตัวที่เป็นเจ้าของมันในมันตามมามันแอบตามมา เพื่อที่จะมาเข้าร่องรอยความนึกความคิดความรู้สึกดั้งเดิมของเราเนี่ยซึ่งตัวนี้แหละมันตัวที่พายึดตัวที่พาถือคือตัวตัญหานี่แหละมันสร้านมาที่กายมันร้านมาที่กายเนี่ยนี่เป็นการฝึกหัดเป็นการจำระขัดเกลาแล้วเราจะได้ย้อนไปที่จิตการย้อนไปที่จิตเพื่อไปทราบทราบเหตุทราบปัจจัย อันเป็นเหตุเป็นต้นต่อที่จะมาพุ่งจิตให้เกิดความนึกเกิดความคิดนะ่ะมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราในะย้อนไปหาดูไปดูดตัวสมุทัยย้อนไปที่ไหนในขณะปัจจุบันทันด่วนแม้แต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็พยายามย้อนไปดูมันเป็นเหตุให้มันมายึดยึดอะไรยึดเวทนาเห็นไหมในเมื่อเรานั่งนานๆมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเจ็บ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราวปวดทั้งทั้งที่ร่างกายก็เป็นสภาวะของรูปธรรมเวทนาที่เกิดจากกายส่วนหนึ่งร่างกายได้รับทราบได้รับความรู้สึกคือเจ็บคือปวดในกายแต่จิตมันก็มายึดในเมื่อจิตมันมันมายึดว่ากายเจ็บกายปวดทุกขเวทนาทางจิตก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นคือไม่พอใจ ไม่ไม่พอใจอยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากให้เบาอยากให้บรรเทาอยากให้มันไม่มีไม่มีความทุกขเวทนานทวายอยากเราดูตัวที่มันละเอียดที่สุดคือตัวอยากตัวอยากที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยเฉพาะเรานั่งนานๆนเวทนามาครอบมาครอบกายของเราถ้าเราไม่ได้ใช้สติใช้สัมปชัญญะกำหนดสติกำหนดพิจรารณา เพื่อที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนไปของกายที่มันเจ็บมันปวดแล้วก็ย้อนไปเพื่อให้เห็นความอยากภายในจิตที่มันอยากมันอยากอะไรมันอยากจะไม่ปวดนะแล้วเราดูเราดูย้อนไปย้อนไปแล้วอยากจะเห็นมันในขณะที่เราพิจารณากายเราไม่เปลี่ยนมันเจ็บมันปวดเราก็ย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตที่กายเนี่ยเราเห็นเพราะว่าทุกขเวทนาที่กายมันอยากเราเห็นอยู่แล้วแะ แต่ถ้าเราไม่ระวังเรื่องจิตเนี่ยจิตมันจะแวบเข้ามาทันทีว่าโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดดูไปตัวที่ความอยากที่มันดิ้นเราๆๆๆๆๆภายในจิตขนาดตัวนั้นตัวตันหาตัวตัวตันหาถ้ามันสวมเข้ามาภาพหนึ่งความอยากมันจะมาดูให้เห็นให้ชัดไอะความอยากภายในจิตเนี่ยเนี่ยเรามาตรงนี้น่ะมีแต่การอิจฉาทั้งนั้นน่ะ งานการที่พิจารณางานการที่แยกแยะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกายไม่ว่าจะเป็นส่วนของเวทนาเห็นไหมแค่นี้เราก็มีงานอยู่เต็มไม้เต็มมือแล้วแหละแต่ว่าโอกาสที่เราจะกำหนดสติสัมปชัญญะของเราสมาธิของเราให้อยู่ต่อเนื่องไปได้ไหมถ้าเราอยู่ต่อเนื่องไม่ได้ไหมายความว่ากำลังทางด้านความสงบของเราไม่พอในเมื่อไม่พอเราก็เกิดความุดหงิด หมดหมิดนู้นหม ด, ดนี้หมุดหมิดไปหมดมิดมาแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาเข้าไปสาเหตุที่ทําให้เราคลิกขึ้นมาพลิกซ้ายขึ้นมาพลิกขวาขึ้นมาเพื่ออะไรสาเหตุต้นต่อของมันก็ <c oughs> ให้เรารับทราบให้เรารู้จักมันเกิดขึ้นมาจากการที่เจ้าของขอ ง, ของมันนั่นแหละเจ้าของร่างกายน่ะเจ้าของที่มันเคยยึดถือเป็นกับการบุเรชาติ เจ้าของคือความอยากที่มันมีอยู่ภายในใจมันมาทําหน้าที่มันมาทํางานมันมาทํางานยังไงมันก็ากายมันมันว่ากายเรามันว่ากายของของเราเพราะอันนี้แทรกเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็มีความอยากเสริมเข้าไปอีกอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดเสร็จแล้วมันก็พลิกเสกร็จแล้วมันก็เปลี่ยนเราจะดูยังไงมันถึงจะไม่เหตุไม่ให้ตัวนี้แทรกเข้ามาเราก็ไม่เห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธรรม กายก็คือสักธวกายเวทนาก็คือสักแต่ว่เาเวทนานี่มันเข้าหลักเลยเนี่ยมันเข้าหลักแหละกายก็คือความจริงอันหนึ่งปรากฏเฉพาะหน้าเราทําไปทําไปทําไปเวทนาปรากฏขึ้นมาเวทนาก็คือเวทนาคือความจริงอันหนึ่งปรากฏขึ้นที่เราปรากฏขึ้นที่ใจของเราเวลามาเกิดความอยากขึ้นมาเราย้อนไปดูจิตจิตเรานิ่ยงไหมจิตเราสงบไหมจิตเรายอมทราบสภาวะความเป็นธรรม ในขณะที่ปรกากฏขึ้นจำเพาะหน้านี้ไหมถ้าจิตยังสม่ำเสมอรักษาระดับอันนี้ไว้ได้ก็แสดงว่าสติสมาธิเราดีแน่นหนามั่นคงพร้อมที่จะทำงานนี้ต่อไปได้ตลอดแต่ถ้าไม่มั่นคงมันก็จะพาเรารื้อบัรลังตอนนั้นเดียวนั้นหรืออยู่อย่างทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานเพราะอะไรก็เพราะมันคิดว่าเราเจ็บมันคิดว่าเราปวด ดูไปไอตัวสาเหตุที่ทําให้เกิดความคิดว่าเราเจ็บเราวปวดนอะ่ะย้อนเข้าไปให้ใหละเอียดให้เห็นเหตุเห็นปัใจจัยที่จิตตัวนี้ละเอียดมาพยายามดูให้เห็นดูให้เข้าใจนี่คือการทําทงานคือเป็นร่องรอยเป็นช่องทางเป็นวิถีทางที่จะทําให้เราทํางานเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําตรงนี้ได้นะ่ยมันเป็นการมัดมือชอกเลยเอาเวทนามามัด มัดเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะชกตัวกิเลสนั่นแหะที่มันมีอยู่ภายในจิตนไอตัวความอยากที่มันโผล่หน้าเข้ามาแล้วสติจอเข้าไปชกหน้ามันเลยพอมโผล่หน้าเข้ามาชกเข้าไปเลยกำหนดจดจ่อจับตัวมันไงจับตัวความอยากมันโผล่ให้มาเห็นหลายครั้งหลายหนเข้าเนี่ยพอเราเห็นมันปั๊บมันก็หดเข้าไปเราก็กำหนดเหมือนเดิมสร้างความสำรวมระมัดระวังกำหนดพิจารณาอยู่เหมือนเดิมพิจารณาเวทนาเนี่ย เอาใจปักลึกเข้าไปอยู่กับเวทนานั่นแหละอะเวทนาที่กายเสร็จแล้วก็เวลาดูไปที่จิต ด, ดูไปตรงไหนดูไปที่จิตยินดีดูไปที่จิต ไ, ไม่ยินดีจิตไม่พอใจจิตแสดงความอยากขึ้นมาอยากยังไงอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดอยากพลิกอยากเปลี่ยนนี่มันแทรกเข้ามางั้นนะมันปวดมันแสบมันรอ้อนมันอะไรต่ออะไร คำว่าอัตภาพหรือตัวหรือตัวเนี่ยมันแทรกเข้ามาแล้วมันแทรกเข้ามาก็ตามเราไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมคล้อยมันย้อนเข้าไปดูดูที่ความนักหกเข้าพอมันโผล่หน้าปั๊บเราจับได้ปั๊บโอยมันหดหัวไปได้นานมากมันหดหัวเข้าไปเราก็ไม่ปล่อยเราก็ต้อหมดจดจ่ออ ย, อย่างนี้แหละนี่คือการตั้งใจที่จะสาวไปดูสาเหตุต้นตอดูเจ้าดูจอมของวัตถจักรที่มีอยู่ภายในใจของเราคือกิเลส วิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการมัดมือชกเนี่ยการต่อสู้การพิจารณาแบบนี้เราจะได้รับทั้งความรู้ความเห็นในภายในเราจะได้รับทั้งความสงบในภายในจากการที่เราทํางานต่อเนื่องเนี่ยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยกําลังคือความสงบเพราะฉะนั้นความสงบในเราทําไปเราย้อนมาพิจารณาพิจารณารู้ไปเข้าใจไปแต่ถ้าหาก มีความรู้เข้าไปยืดยามาจนร่างกายของเราเจ็บหรือปวดเราก็เริ่มพิจารณาเลื่อนเลื่อนจากพิจารณากายมาพิจารณาเวทนาละเอียดเข้าไปอีกพิจารณากายก็อย่าลืมย้อนเข้าไปดูที่จิตพิจารณาเวทนาก็อย่าลืมย้อนเข้าไปดูที่จิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูจิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาอย่าปล่อยให้จิตนี่แช่อยู่กับอย่างเดียว ถ้าปล่อยให้จิตแช่อยู่กับเวทนาอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวความอยากมันก็แทรกเข้ามาแล้วเราอาศัยเกตจำนองนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนขณะคลิกคลิกที่เวทนาที่ทุกขเวทนาพลิกมาดูที่จิตย้อนเข้าไปดูที่จิต ด, ดูตรงไหนเห็นเห็นความยินดีเห็นความยินร้ายย้อนเข้าไปเลยไปใส่มันเลยสักหน่อยนึ่งเดี๋ยวเราจะเจอจังๆสักครั้งหนึ่งเนี่แบบโอ้โหเหมือนกับอะไรเนี่ยสว่างสวยเต็มไปหมด สโนยหนึ่งได้ไเผชิญหน้ากันจังๆเนี่ยโอ้มันหดหัวหายไปยุปยบย่อไปเลยเนี่ยมันสว่างสวายมันก็ยุยบย่อหายไปหมดอะ่ะนี่คือการต่อสู้ในภายในการต่อสู้เข้าไปที่ตัวที่เป็นศัตรูที่เป็นค่าศึงอยู่ในภายในเราไปหาช่องอื่นทวิธีอื่นหายอย่างอื่นทําไม่พบไม่เจอแต่ถ้าเราหมุนมาตรงนี้พบเลยเจอเลยคือกําหนดดูกองพลพิจารณาดูร่างกา ย, นยในขณะที่เรากําหนด พิจรารณาดูาเราไม่จ่ออยู่กับที่เดียวเพราะเรากำหนดจอ่อเวลาเราพิจรารณาไปอาการทั้งสามสิบสองเนี่ยเวลาจิตมันไปค้างไปตกค้างอยู่กับอะไรก็ตามให้มันเด่นมันชัดเราจะจ่ออยู่กับอันเดียวก็ได้แต่ถ้าจ่ออยู่กับอันเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะพลิกมันจะฟื้นอ่าไอตัวความอยากมันจะแทรกเข้ามาได้ง่ายแล้วก็พลิกก็ไปเรื่อยดูผมแล้วดูขน ทำความรู้ส so right so ึกอยู่กับขณะที่เราพลิกจิตเน่พลิกไปที่ขนพลิกไปที่เล็บพลิกไปที่ฟันที่หนังที่เนื้อเอ็นกระดูกการพลิกบ่อยๆแบบนี้มันเป็นการกระตุกสติของเราเนี่ยให้ตื่นกระตุกจิตของเราให้ตื่นอยู่ทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีมันเป็นการพลิกถ้าเราปล่อยแช่ซะหน่อยแช่ไปแช่ไปซะหน่อยหนึ่งเผลอแล้วมันแทะเข้ามาซะหน่อยนึงเผลอแล้วมันแทะเข้ามาบางทีเรา แช่อยู่กับความสุงเบีดีแล้วก็พลิกปับอันนี้หมายความว่าเราพิจารณานะแช่อยู่สัหน่อยแล้วก็พลิกปับแช่อยู่สัหน่อยก็พลิกปับพลิกมาที่รูปแล้วก็พลิกมาที่เวทนาเนี่ยหรือพลิกมาที่จิตพลิกไปที่รูปไปพลิกที่เวทนาพลิกที่เวทนามาที่จิตพลิกที่จิตมาที่รูปก็มาจดจอดูอย่างนี้เราจะเห็นความแตกต่างเราจะมองเห็นตัวพลิกไปในจิตของเราเนี่ย มันเริ่มละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นลึกเข้าไปเห็นลึกเข้าไปเห็นเข้าไปจนกว่ามันจะละเอียดถึงที่ของมันมันจะเห็นกายสักเทว่ากายจริงๆเห็นเวทนารสักเทวเวทนาจริงๆเห็นจิตก็สักเทว่าจิตจริงๆมันสามารถแยกออกได้โดยที่แท้จริงมันก็ส่วนของใครของมันอยู่แล้วกายก็เป็นส่วนของกายอยู่แล้วเวทนามันก็เป็นส่วนของเวทนาอยู่แล้ว จิตมันก็เป็นส่วนของจิตอยู่แล้วแต่อาศัยว่าจิตมันมีอุปาทานเนี่ยมันก็มายึดกายซะโดยเหตุที่จิตมันมีอุปาทานมันก็มายึดเวทนาซะเราดูให้เห็นสักดิ์ทวากายให้ในเห็นสักดิ์ทวาเวทนาสักดิ์ทวาจิตสักดิ์ทวาจิตเราดูยังไงเราก็ย้อนไปที่จิตเราย้อนที่จิตเราก็เห็นสักดิ์ทวาจิต ย้อมาที่เวทนาเราก็สักคำว่เวทนานี่คือการทํางานในภายในทําเรื่อยๆทําบ่อยครั้งเข้าเราก็จะเข้าใจเราก็จะชำนิชํนานาญเข้าไปเรื่อยหัดนั่งต่อสู้เวทนานได้รับความสงกบการต่อสู้เวทนานี้มันเป็นเหตุทําให้เราได้กําลังอย่างรวดเร็วภายในหัวใจของในในในเราได้รถได้ชาติในการนั่งในการต่อสู้ มันไม่ใช่นั่งหลับสเสริมสฉลยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็โอ้ยเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเ ท, ท่านี้นาทีเท่านั้นแล้วผลที่ปรากฏภายในใจมันไม่ค่อยชัดเจนนี่เรามาตรงนี้เราได้รับคกกำลังใจอย่างรวดเร็วเป็นเหตุกระตุกจิตกระตุกสติของเราเนี่ยให้เข้ามาสู่หลักของเราได้อย่างดีทีเดียวีเริ่มแรกจากเราทําความสงบตั้งตัวให้ตรงแล้วก็หายใจให้เตรียม หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไม่ปล่อยความรู้สึกพุทธเข้าไปแล้วไม่ปล่อยค่อยตามโทออกมาโทอมาแล้วไม่ปล่อยค่อยตามค่อยตามพุทธเข้าไปพุทเข้าไปแล้วไม่ปล่อยคอยตามโทมาพุทธโทพุทธโธวนอยู่อย่างนี้แหละกำหนดอยู่อย่างนี้ทำความรู้สึกตลอดไม่เปลี่ยนความรู้สึกจิตว่าเราจะได้รับความสงบอย่างรวดเร็วอาศัยลําดีพุทโทด้วยและอาศัยลมด้วยลมเข้าไป เราไม่ต้องตามเข้าไปก็ได้กำลังที่ปลายจมูกนะสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้าไปพูดสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาออกมาก็สัมผัสที่ปลายจมูกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธหรือมันจะลงลึกไปถึงลิ้นปี่ก็ช่างมันพุทธทำความรู้สึกลงไปที่ลิ้นปี่โทมันก็ต้องผ่านลิ้นปีม่มากมออกที่จมูกโทธทงความกำหนด เราก็เมืความรู้สึกแล้วมันได้รับความรู้สึกอย่างไรเราก็ยอมรับอย่างนั้นเราก็รับทราบอย่างนั้นแล้วก็ดำริบริกรรมไปอย่างนั้นให้จิตได้รับความสงบเมื่อสงบพอสมควรสงบอยู่ในภาวะที่เราดําริอยู่ก็ให้มีสติสัมผัสชัญญะกำกรู้อยู่ตลอดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนจิตได้รับความสงบ สงบจนเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรอยู่แต่กับความรู้สึกก็ว่าพุทโธพุทโธหรือทิ้งคําบริกรรมคําว่าพุทโธก็แล้วแต่ให้เราไม่ปล่อยความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันที่มีอยู่เฉพาะหน้าเราจนทิ้งอารมณ์ทั้งหมดเหลือแต่ผู้รู้รูอยู่ดวงเดียวยอย่างเดียวไม่ได้บริกรรมไม่ได้พุทโธจิตสงกกบอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตสงบสว่างไสวอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ให้มันอยู่อย่างนั้น จะนานเท่าไหร่ก็แล้วแตะก็ดูกระดิกออกมาเราต้องการพิจารณาเราก็เอามาพิจารณาร่างกายเหมือนอย่างดังกล่าวที่มาครั้งต้นะ mm hmm. มาก็หมดพิจารณาธาตุดินมีคือการพิจารณากาย mm hmm. ไปที่ธาตุน้ํา mm hmm. ไปที่ธาตุลมไปที่ธาตุไฟหัดพิจารณาครับอันนี้เป็นเป็นงานข้างในเป็นงานภายในถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่เยี่ยงเยียงเนี่ย โอกาสที่เราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจิตใจของเราจะละเอียดเข้าไปข้างในนั้นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราหัดพิจารณาเราหัดแยกแยะแต่ให้พยายามจับหลักให้ได้ว่าไม่ให้มีคําว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นให้เห็นแต่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นดินเป็นสภาวะคำว่าสภาวะคือความมีของมันความเป็นของมันเนี่ยทั้ว่าสภาวะสภาวะหรือสภาพของมันสภาพร่างกายคือธาตุดิน ในขณะที่เราเอาจิตมาพิจารณาตับกายนั้นมันก็เป็นการเอากายมารู้มากำหนดเกิดเราว่าเป็นธาตุดินเพื่อไม่ให้จิตมันหลงถ้าเราไม่พิจารณาว่าเป็นดินมันก็หลงหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราลองเราดูดินเฉยๆเราก็กายเราเต็มตัวทั้งหมดนั่นแหละถ้าเราไม่กำหนดย้อนไปดูอย่างนั้นกำหนดพิจารณาให้มันเป็นดิน ดิศักดิ์สิทธิ์เป็นดินเป็นสภาวะของมันแท้จริงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอยู่แล้วอืดูให้เห็นดูให้เข้าใจดูให้ชัดไม่งั้นใจมันคิดว่าเป็นมันน่ะเป็นของของมันน้ําก็เช่นเดียวกันสักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําลมก็สักดิ์สิทธิ์เป็นลมไฟก็สักดิ์สิทธเป็นไฟหากอาศัยกรรมมาเกาะเกี่ยวมาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่ตามสภาพที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่เดียวนี้ ดูให้เห็นเป็นธรรมชาติดูให้เห็นเป็นสัจธวรสภาวะธรรมดูให้เห็นสัจธวรมไม่ให้สมมุติบัญญัติมันเกิดขึ้นในขณะที่เราดูได้มี่จะชัดเจนดีมากเห็นสภาวะธรรมที่เป็นดินก็คือสัจธวรมเป็นดินจริงๆไม่ให้สมมุติบัญญัติมันเกิดขึ้นว่าโอ้อันนี้เป็นผมอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนี้เป็นหนังดูให้เห็นสัจธวรมเป็นดินอย่างเดียวไม่ให้บัญญัติเกิดขึ้นนึ่งอันนี้ยิ่งชัดเจนละเอียดเข้าไปอีก น้ำก็เช่นเดียวกันดูให้เห็นสักว่าเป็นสภาพเปิบอาบอะไรก็เท่ากันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําดีน้ํำเสดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้าอะไรก็คือน้ําน้ำภายนอกอย่างไงน้ําภายในก็อย่างงั้นมันซึมซาบมันเอิบอาบทั่วทุกแห่งที่มันทับมันพวกมันดูดมันซึมอยู่ในแอ่งในแอ่งในอ่างที่น้ํามันอยู่ในกายของเราก็เช่นเดียวกันมันซึมซับเข้าไปทั่วเต็มกาย หเห็นศักดิทว่าเป็นไม่ให้คาว่าสมมติบัญญัติที่เป็นน้ําโผล่ขึ้นมานอันนี้ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเลยเห็นศักทว่าเป็นน้ําน้ําก็สักดทว่าเป็นน้ําดูลมก็สักดทว่าเป็นลมเป็นธาตมืดชาติอันหนึ่งของมันลมก็คือลมจิตผู้รู้ว่าเป็นลมก็คกือจิตลมเข้าลมออกก็หมดพิจรารณาเข้าไปถ่าไฟต้งเช่นเดียวกันนี่คือการกําหนดพิจรารณา แบบนี้เรียกหัดใช้ปัญญาพิจารณาไปโอกาสที่จะเกิดวิปัสนาหรือเกิดวิปัสนาญาณมันก็ไปจากการที่เราฝึกเราซ้อมนี้เองมันจะชำ น, นิชำนาญมันจะคล่องแคล่วไปเรื่อยๆก็ทาให้เราอยู่กับการอยู่กับงานไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปกับอย่างอื่นมันเป็นการรักษาเวล่าวลามันเป็นการระมัดระวังกับธุระปะปังกับหน้าที่ข้างในภายใน ทำให้เรามีโอกาสตักตวงเอางานต่างๆเรานี้มาทําให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเกิดความเจียมแจ้งชัดเจนเข้าไปเรื่อยๆนี่คือการภาวนาตั้งอกตั้งใจเท่ายืนเดินนั่งนอนก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำมาตราวางเข้าไปมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยสัมผัสหยาจะเป็นการยืนจะเป็นการเดินจะเป็นการนั่งจะเป็นการนอน อยู่ในท่าทีที่สํารวมระมัดระวังกําหนดจดจ่อดูสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจนกว่ามันจะหลับไปตื่นก็นมาทําความรู้สึกอีกก็ดูอยู่อย่างนี้แหละให้เกิดความให้เกิดความเข้าใจเพื่อทําลายความลุ่มหลงความลุ่มหลงติดยึดมั่นถือมั่นในกายทำความลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนานไม่ให้คําว่าเราไม่ให้คำว่าของขอ ง, ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้กลายรัศดรเท่าเป็นกายไป ดูเหตุดูปัจจัยของมันเกิดขึ้นจากอะไรดูไปทะลุผุโปรองให้หมดเวทนากระสัแต่ว่าเวทนาดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันดูให้ทะลุผุโปร่งให้หมดแล้วก็ย้อนดูไปที่จิตเลย้อนพันไปถึงต้น ต, อ, นตอกรรมของจิตที่มันมีความอยากมาเกี่ยวข้องมาผูกมาพันเนี่ยคือตัวปัญหาภายในจิตเนี่ยย้อนก็ไปดูตัวนั้นอตัวนั้นมันไม่มีตัวที่แท้จริงของมันไม่มีมันเป็นกวนมันเป็นอุบายมันเป็นมายาที่แทรกมากับจิตเท่านั้น พอเวลาชำระหมดแตแล้วกนหมายาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดจากจิตเกิดภายในจิตมันก็หมดไปมันไม่มีอะไรเหลือติดผู้รู้ที่บริสุทธิ์อันนี้คือผลสูงสุดที่เราชำระขัดกล่าวไปถึงตรงนั้นแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเราก็ต้องก้าวไปเราจะต้องหัดภาวนาหัดพิจารณาไปจากตรงนี้แหละเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อความก้าวไปของการตั้งใจปฏิบัติธรรมการที่เราก้าวไป ตรงนี้มันเป็นเส้นมันเป็นทางมันเป็นอุบายมันเป็นวิธีของทางดําเนินนี่แหละของมรรคปฏิปทาคือทางดําเนินนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายึดสติกับสัมปชัญญะอย่างเดียวยมากํากับจิตให้จิตได้รับความสงบแล้วกระจายไปด้วยการพิจารณาด้วยเหตุที่เราไม่ทอดทิ้งทําให้จิตสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญานี้เราย่อมยืนอยู่บนเส้นทางของ ของอริยมรรคมีองค์แป ะ, ะที่ท่านกล่าวเอาไว้มรรประกอบด้วยองค์แปดเมื่อแยกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของศีลซะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาแต่วิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไปไล่อธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องปริยัิไปเราหมุนมาที่กายนี้เราหมุนมาที่ใจนี้แล้วก็กําหนดพิจารณาแยกแยะ กำหนดพิจารณาดูให้เห็นสภาวะธรรมหลังที่อธิบายมานี้ก็จะทําให้เราอยู่ในช่องอยู่ในทางอยู่ในมัคคปฏิปทาเพื่อที่จะก้าวไปให้เกิดความรู้ให้เกิดความเห็นให้เกิดความเข้าใจโดยทำแล้วก็ผลที่แท้จริงก็จะปรากฏในใจของเราของท่านด้วยการทุกคนทํามันหากมีของแปลกประหลาดอัศจริรย์เกิดขึ้นภายในจิตซึ่งจะทําให้เราได้กําลังใจจากการที่เรา ทราบด้วยตัวของตัวเราเองว่าเออมีผลปรากฏอย่างนั้นมีผลปรากฏอย่างนั fights. ้นอ่วันนี้ก็ได้ผลปรากฏอย่างวันนั้นก็ได้ผลปรากฏอย่างนั้นทําให้เรามีกําลังใจทําให้เรามีกริดกระใจที่จะทําให้เราตั้งอกตั้งใจภาวนารักความภาวนาชอบความภาวนารู้สึกเสียดายในเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาเนี่ยโอกาสที่เราจะปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยกระสจาดประโยชน์ไปทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ทําให้งานการของเราเนี่ยต้องได้ไปต้องห่างไปต้องเหินออกไปเนี่ยทําให้เราหมดกําลังใจในการที่จะปฏิบัติอันนี้มันก็เป็นเหตุให้เรานึกข่าวคิดแล้วก็ทําให้เราระมัดระวังอยู่สำรวจระมัดระวังอยู่ในช่องทางอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งข้อวัดทั้งข้อปฏิบัติทั้งอะไรต่ออะไรในเมื่อเราสำรวจระมัดระวังไม่ปล่อยแล้วทําให้เราในอยู่ในหน้าที่โอกาสที่จะทําให้งานของเราเนี่ก้าวหน้า ย่อมมีย่อมเป็นดูมาที่ใจของเราเราจะทราบเราจะทราบได้หากมันติีมันกันไปหมดนั่นแหละถ้าเราไม่มาช่องนี้ไม่มาตรงนี้แต่ต้องอาศัยความสัมรวมอาศัยความรมะมัดระวังอาศัยความปุดาพยายามอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยขันติความอดความทนอย่างยิ่งเพื่อที่จะขยับมาให้ถึงทางตรงนี้ได้เนี่ยให้ทั้งหมดทั้งใจด้วยกันทุกคน